เรื่องดึงออกจากพุทธไปสุดไม่ถึงคริสโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยความหน่วยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุก ป, ประการขอจะมังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคม เพื่ภาษาศาสนาและอันษาทุชนผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกพาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งซ้อนในทางภระศาสนาแล้ว ขอท่านทังล้างจะได้ต่างออกตันงแก่ฟังกันให้ดีเพื่อจะ น, นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาซื่บต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ทำมิกฉาที่จะนำมาก่าวในวันนี้ ขอให้หัวข้อว่าดึงออกมาจากพุทธไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนเฮ้ <c oughs> จะว่าใหม่จำนวนใหม่ก็ว่าดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกา <c oughs> ข้อไทยอาจจะเป็นถอยคำที่ฟังแล้วมัน เกินลักษณะที่เรกว่าคอนฟ lict ขัดแย้งกันอยู่ในใจว่ามันอะไรกันนะกันหะท่านเอาอะไรมาพูดดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกาดึงออกมาจากพุทธส่งไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนตรงนี้มีปัญหาและกำลังจะมีปัญหากันต่อไปคนทุกวันนี้กำลังพันหลังให้แกศนะ่ศาสนา กำลังมองข้ามคุณค่าของศาสนาโดยไม่ไม่มองเห็นเลยว่ า, าศาสนามีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมกำลังบูชาทางวัตถุเทคโนโลยีโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลหายใจเป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุอาศัยเทคนโนโลยีอันเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์ ้วเลยพากันไม่สนใจทำโมโลจีอันเป็นผลิตผลของศาสนามันมีปัญหาด้วยกันทั้งนั่นเดียวนี่ปัญหาน้ำเน่าที่ไหลออกมาจากน้ำพองสูญน้ำชีสูญลำแม่น้ำมูลทำให้ปลาตายกันเป็นฟูงจนที่เรียก ว, ว่าศู์พันกันไปเป็นจำนวนไม่ น, น้อยน้า ที่จะต้องเด่มต้องใช้บริรโภคอุปโภคสองฟากฝังแห่งลุ่มน้ําลําพองลำชีแม่น้ํา ม, มูลของเราดือดร้อนกันไปหมดบริโภคประโภคกันไม่ได้ทั้งหมดนี่ก็มาจากผลิตผลแห่งเทคโนโลยีผลิตผลของวิทยาศาสต ร, ร์คือตัวเทคโนโลยีแล้วมันก็มาจากการขาดแคลนธรรมโลยีขาดแคลนาศาสนาและเราจะว่ากันอย่างไร และนี่พวกคนรุ่นใหม่ New Generation ข่าววร์กำลังของชนรุ่นใหม่กำลังมองข้ามาศาสนาโดยที่เป็นชาวพุทธก็มองไปเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนชาวคลิสที่ถือาศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระยะโหวากดีก็ไม่เข้าใจอยู่ดีๆไม่ได้วังพึ่งพาพระเจ้าโดย โดยพูดแต่ปากตั้งแต่พ่อแต่แม่พวกไอเดียฟิกแต่คนรุ่นใหม่นี่กําลังหันหลังให้อย่างยิ่งใหญ่เลยพุทก็หันหลังให้แก่พุทธคริสก็หันหลังให้แก่คริสและทนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาองค์กรของศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้านในทางพุทธศาสนาแล้วก็นักบวชโลกบาทหลวงในทางคริสตศาสนาจะต้องมาทํางานนักคือทําอย่งางไรผู้ คนทั้งหลายจะเข้าใจหลักศีลหลักธรรมแต่ละศาสนาน น, น่นแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดจะเอาศาสนานี่แหละม า, าสร้างสงครามจิตวิทยากันแย่งาศาสนิกันตรงนี้จะเป็นปัญหาไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยคือผู้ที่จะ พยายามเผยแพร่คำสอนของศาสนาของตนจากศาสนาหนึ่งแล้วไปสู่ศาสนาหนึ่งเพื่อพ้นประโยชน์อันใดก็ตามใจเธิดมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีมันจะดึงออกมาจากความเป็นไทยจากทรงไปสู่อเมริกาไม่ถึงดึงออกมาจากความเป็นพุทธแต่ไม่ถึงที่สุด ข, ของความเป็นคริสเตียนเพราะว่า มันก็ละ s p e c i e กันพูดเป็นภาษาฝรั่งก็ละเผาละพันธุ์กันเข้ามันจะมาเข้ากันตรงที่วัตถุอย่างเดียวแล้วอย่าลืมว่าวัตถุนั้นไม่สามารถที่จะทําให้คนนี้มีศรัทธาอย่างลึกซึ้งเมื่อใดมีความเปลี่ยนแปลงไปทางวัตถุไม่ได้ดังอกดังแกมมันก็ออกไปเดี๋ยวนี้มันมีปัญหากันนั่น ในาศาสนาทางโลกตะวันตกทางเมืองฝรั่งมั่งค่าโดยเฉพาะ อ, อเมริกาที่เราถือว่าเป็นสังคมชั้นแนวหน้าของตะวันตกเป็นผู้นําทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทา ง, ทางการเมืองอะไรต่างๆเราเห็นว่าถ้ามาจากเมืองฝรั่งเมืองอเมริกาแล้วก็ดีแล้วทั้งนั้นศาสนามาจากนู้นก็เป็นเรื่องสาสนาดีทั้งนั้นแต่ในนี้คนรุ่นใหม่โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลคํำสอน ที่ฝากความไว้วางใจความเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดทุกอย่างลำบากมีปัญหาอะไรต่างๆให้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั้นคนรุ่นใหม่ new generation ทั้งหลายเขาเกาะปฏิเสธเขาบอกว่าเขาพึ่งพาอาศัยตนเองได้ via sand o l one leg เรายืนอยู่บนขาของเรา เขาก็เกิดมาจากผลิตผลทางวัตถุผลิตผลแห่งวิทยาศาสตร์มาเป็นเทคโนโลยีร้อนเขาก็ทําให้เย็นด้วยอาศัยแอร์ปรับอากาศเย็นทําให้อบอุ่นได้ด้วยเครื่องทาความอุ่นฮิสเตอร์ทั้งหลายและใครมาช่วยขขาวตรงนี้เขาก็เห็นประจกักษ์เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธนังซื้อพิมเมืองฟอลังพาดหัวข่าว มานานหลายปีแล้วจนขี้เกียจจะลงจนไม่รู้จะวิจารณ์สังคมตนเองอย่างไรของพวกนักวิชาการนักสังคมวิทยานักการศึกษาก็เห็นพ้องต้องกันนักหนังสือพิมพ์อันทือได้ว่าเป็นกระจกเงาสองสังคมของเขาอ่านว่าข่าวมาหลายปีสิบกว่าปีแล้วเป็นข่าวใหญ่ๆอยู่เกือบเป็นเป็นเป็นไปเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ค่อยจางไปจางไปไม่รู้จะว่าอย่างไรนั่นแหละ ที่ที่ที่พอจะจับประเด็นได้ก็คือเรื่องที่เขาบอกว่าคันจลันไคลซีสอินอเมริกันยังอเมริกันเทินอีสเบิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมหนุ่มสาวอเมริกาหันมาทางตะวันออกหมายเขาว่าพ่อแม่ถือศาสนาเก่าแก่โบราณดั้งเดิมนี่พระผู้เป็นเจ้า คอยสร้างคอยคุ้มครองคอยทำลาย God Creator God Preserve God Destroy er. แต่สมัยนี้เขาเอาวิทยาศาสตร์เป็นประผุเป็นเจ้าของเขาไปแล้วเขาจึงปฏิเสธเขาบอกว่าวิยาแสดออนวันเละต่อมาพุทธศาสนาศาสนาทางตะวันออกต่างๆได้หลั่งไหลเข้าไปไปพิมพ์แปลคำสังง่งสอนต่าง ๆ, ๆเขาก็ได้อ่านกัน อย่างลูกศิษย์ของอาตมาที่วัดนี่ที่เป็นพระพิสอยู่นี่มาจากนู่นอเมริกานูน่นก็เคยถามเขาเขาบอกว่าเขาได้รู้จักพุทธศาสนาเริ่มต้นโดยการอ่านหนังสือคือหนังสือพิมพ์ในทางพระพุทธศาสนาถูกแปลถูกพิมพ์ออกมาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วในโลกทางตะวันตกคนรุ่นใหม่เมื่อโลกยเยือนก้าวหน้าวิทยาศาสกก้าวไปไกลก็พยายามลด ลดความไม่ได้พยายามมันเป็นมันเองโดยธรรมชาติลดความเชื่อถือลงที่จะฝากชีวิตจิตใจให้สิ่งอื่นบุคคลอื่นหรืออำนาจลึกลับที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าให้ความคุ้มครองให้ความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเขากับไม่หวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วอาศัยวิทยาศาสตร์อาศัยศักยภาพความเป็นไปได้ของความสามารถของตนเองของเขานั่นแหละ ครึ่งพาอาศัยก็เลยบอกว่าเรายืนอยู่บนขาของเราแต่สแลวัตถุและเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถทำให้เขามีความสุขใจได้ตลอดปัญหาก็เกิดขึ้นปัญหาจากการฆ่าตัวตายยิงตัวตายกินยาตายผูกคอตายโรคประสาทความตึงเครียดจิตใจเปาะบาง ไม่ได้ดังอกดังใจอยากจะกินน้อยๆ อ, อร่อยมากๆอิ่มนานๆหันไปสู่ยาเสพติดแสวงหาความสุขยาเสพติดก็ให้ผลชั่วคู่ชั่วแล่นพอสนองความอยากแล้วก็พอลำงับความอยากลงแล้วก็อยากไม่ยิ่งมากกว่าเก่าเอาไปเอามามันทําลายทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งจิตใจหันรีหั น, หหนขวางประดังประเดมาโทษจากวัตถุนิยมฝรั่งก็ไม่รู้จะเอาอยัางไง หันไปหันมาเห็นศาสนาทางตะวันออกเข้าไปเผยแพร่โดยหนังสือไม่มีตัวบุคคลโดยตัวเขาเองนั่นแหละอ่านไปอ่านไปคนหนุ่ษาก็พอใจยิ่งพุทธศาสนานันคอมพันสตรีไม่มีการบังคับแต่แรกก็ยังเป็นโตวโวเกอร์ท้าทายอยู่ตลอดการให้มาพิสูจน์ของจริงมันก็ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนไปเลย แต่ทําให้เขาเกิดความสหายอยากรู้อยากเห็นเขาก็เรียนยิ่งเรียนเก็ไปก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งท้าทายต่อการประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็เกิดชมรมต่างๆขึ้นมาในโลกทางตะวันตกกรณีในอเมริกากดีในยุโรปมันมีมากขึ้นสนามนัวิปัสนาคาเดมีวิพสนาเซ็นเตอร์ขึ้นมาทําให้ในโรงเรียนในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มมีพวกพแผนกะดิวิเนตี้สกูลทรีโอโรชการสกูลมากขึ้น นี่มันกลับกันนะก็ก็สนใจ <c oughs> สนใจอาวปมาบางคนก็กล้าไปไกลไปบวชรีลังกาบวชพมา่าบวชประเทศไทยอย่างที่วัดอาตมาที่พูดอยู่ในนี่ก็มีชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมาบวชอยู่ตรงนี้นี่มันมันเริ่มต้นเลยวัตถุที่ดึงเออกจากาศาสนานั่นวัตถุที่จะเลื่อนที่สุดเขาก็คิดว่า น, นี่มันเกิดมาจากการกระทําของเขา แต่วัตถุนี้ก็ไม่สามารถทําให้เขาสงบระ ง, งับจิตใจทําให้เขามีความสุขที่แท้จริงได้มันเป็นความสุขชั่วแล่นเป็นความสุขที่สนองตอบความอยากหลังจากนั้นก็ระ ง, งับลงเมื่อได้ตามอยากหลังจากนั้นก็กระตุ้นความอยากให้มากขึ้นกว่าเก่าเพื่อจะได้สนองตอบให้ยิ่งขึ้นเดี๋ยมันมีปัญหามากขึ้ น, นพอเริ่มยามก็เริ่มทุกข์ในที่สุดก็หันมาโศกศาสนาทางตะวันออกซึ่งเป็นศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ ทางจิตทางใจคือถ้าจะถือว่าตะศาสนามีผู้ช่วยมีผู้ดลบรนดานให้มันก็ไม่สามารถจะนำไปสู่ความสิ้นสุดแห่งปัญหาความทุกข์อะไรต่างๆมันไม่มีเทนี้จะเอาแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่มีศาสนาช่วยประคับประคองทางด้านจิตใจวิทยาศาสตร์นั้นมันก็จะเบียดเบียนกันันเบียดเบียนกันคือไม่เข้มแข็งทางจริยธรรม อันเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบอ่าทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นมาจนสร้างระเบิดอืมนิวเคลียบปรมาณูอะไรขึ้นมานะ้นเขาก็บอกไว้ชัดว่าในอนาคตเมื่อโลกเจริญแล้วเนี่ยถ้าขาดศาสนาไปขาดศีลธรรมไปปัญหามันจะยุ่งยากโลกจะแหลกทพินาศตรรายทำลายเพราะผลแห่งวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า the w h e n of the future d e p e n d on moral force or strength แปลนน ว, ว, แรรแว่าโลกในอนาคตนั้นมันจะอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งทางจริยธรรม depend on moral force นี่แปว่าโลกในอนาคตนั้นมันจะอยู่รอดได้ที่ความเข้มแข็งหรืออํานาจแห่งจริยธรรมแห่งศีลธรรมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสต์อย่างเดียวไม่พอถ้าขาดศาสนา เขาจึงบอกว่า science w i t h o u religion is lame ว่าอย่างเงี้ยในทางตรงกันข้ามอีกเหมือนกันบอกว่า r e l i o n without s c i e n e s b i n d แปลว่าวิทยาศาสตร์ถ้าขาดศาสนาซะแล้วมันก็เหมือนคนเป็นง่อยคนเป็นง่อยคนไม่แข็งแรง <c oughs> แต่ถ้ามันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นมันจะสามารถทําลายโลกได้นะคนเป็นง่อยมีระเบิดอยู่ในมือของคนเป็นง่อย แต่ว่าคำว่า ง, ง้อยโดยที่มันหมายถึงง่อยเปรี่ยเพียรแรงทางทางความเข้มแข็งทางจิตใจมีวิทยาศาสตร์มันเข้มแข็งทางกายมีเครื่องมือที่จะทำลายโลกได้ชัว่วพริบตาเดียวแต่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะควบคุมจิตใจตนเองมันก็เหมือนคนเป็นง่อยเป็นเปรี้ยทางจิตทางใจทีนี้ถ้ามีศาสนาที่ขาด วิทยาศาสตร์คืออาศัยเหตุอาศัยผลพิสูจน์ได้ท้าทายได้ตรวจได้ไม่จะคุมคุมเครือเคื อ, ค อ, คอให้เชื่อตามๆ ม, มีแต่เชื่ออย่างเดียวมันขาดปัญญามัมนก็กลายเป็นคนตาบอดคนตาบอดมีเรียเร่ยวมีแรงแต่มันไม่เห็นอะไรเขาจึงบอกว่าริเรียนสวิตช์เอาไซอันอิสไบรบอกว่ า, าศาสนา ถ้าปราศจากวิทยาศาสตรนะ์ศาสนาที่ไร้วิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดนี่เป็นคําสโลปของอันเบิร์ตไอด์ตายเราเห็นได้ว่าทวันเนี่ย ม, ม, ม, ม, มันมันมันมีศาสนาแต่มันขาดวิทยาศาสตร์มีวิทยาศาสตร์ขาดาศาสนามันก็เลยมีคนอยสองประเภทในโลกเนี่ยาศาสนาบางาศาสนาไม่สนใจทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเปิดเผยที่จะพิสูจน์ที่จะท้าทายได้ ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เมื่อต้องแฝงแห่งวิทยาศาสตร์เข้าไปก็อับเฉาลงมาจึงเป็นเหตุให้โลกที่เจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นมีปัญหาที่เรียกว่าคันจันลไครซี่เกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมคือปัญหาของศาสนาดั้งเดิมเขากับมองข้ามเขาเห็นวิทยาศาสตร์เห็นอ่าเทคโนโลยีต่างๆเป็นที่พึ่งพาอาศัยเขาได้ และในที่สุดวิทยาศาสตร์ช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไปเห็นอีกศาสนาใหม่ที่สามารถท้าทายต่อการพิสูจน์ไม่งมง่ายไม่เคล็ดเดอดร้าไม่งมง่ายไรยเหตุผลหวังพึ่งพาสิ่งภายนอกแต่หวังพึ่งพาศักยภาพความเป็นไปได้ความสามารถโดยการฝึกฝนอบรมตนเองช่วยตนเองได้เป็นศาสนาเปนในตัวเป็นวิทยาศาสตร์ไปในตัวอย่างนี้แหละในที่สุด เขาก็เลยหันมาสู่อันนี้พ่อแม่คนเก่าแก่ดั้งเดิมโบ ร, โบราณเขาก็เกิดปัญหาขึ้นมาอะไรอาวรณ์ถึงวัฒนธรรมเก่าของเขาที่เคยสั่งสมมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนแลว้วเขาก็เลยร้องโวยวายกันขึ้นหนังสือพิมพ์นั่งลายกระดาดหัวเขาว่าขันยลนกลายซีเกิดวิจิตรการทางวัฒนธรรมเน่ยในเบริกาก็ดีในโลกประเทศอื่นๆก็ดีไอย่างน้เขาบอกว่ายังยัง ยังอเมริกันเทิร์นอีสเบิร์ตยังว่าคนหนุ่มคนสาวหันมาทางโลกตะวันออกคือศาสนาตะวันออกพุทธศาสนาเหล่านี้เข้าไปมีบทบาทจนในโรงเรียนต่างๆในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีแผนดีเวนิตี้สกูลที่โอโรชิกัน h กูลขึ้นมาแผนศาสนาแผนปรัชญาขึ้นมาบางคนก็สมสารได้นไปบวชอย่างว่านั้น ที่ี่หันมาดูโลกที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเราหรือประเทศอื่นๆที่ด้อยพัฒนาจริงๆโลกที่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนากำลังจะเป็นนิกหรือว่ากำลังจะถถกนกเนี่ยก็เห็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัตถุทั้งหลายนี่เป็นเท พ, พเจ้าเหมือนพวกฝรั่งเขาเคยเห็นมาก่อน ก็ดิ้นรนเลยที่นี่บูชายากได้ายากมียากเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของตนเองก็มองข้ามทอดทิ้งหมดเรีย่ยวหมดแ ร, รงคุณค่าทางศาสนาเห็นว่าคือข้าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หันไปทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีเนี่ยจะนี่ศาสนาที่มาจากโลกทางวัตถุทางเทคโนโลยี ก็ เ, เอาวัตถุนี่แหละมาเป็นเครื่องร่อใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือเราทุกข์ยากไร่เพราะเราไม่เชื่อฟังเม็นับถือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ากําลังมาแล้วหันหน้ามาเธอใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วพระผู้เป็นเจ้ากําลังจะมาช่วยเหลือในที่สุดก็ฮือฮากันหันไปทั้งหมดนั้นไม่ได้ไม่ได้มีความศรัทธาที่แท้จริงจากพระผู้เป็นเจ้า แต่ศรัทธาในเทคโนโลยีศรัทธาในวัตถุสิ่งของเงินทองที่เขาจะมอบให้โดยอาศัยว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราไม่ให้ขาดแคลนไม่ให้ยากจนอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นมาที่วัตถุมันมีจดหมายอยู่ที่วัตถุเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าวัตถุนั้นช่วยอะไรไม่ได้ไม่ศาสนาคริสต์เนี่ยพระเยซูก็เคยพูดบอกกับซาตาน ไอ้เทศนาบนภูเขาที่ซาตานมาถามว่าถ้าเป็นบุตรพระเจ้าจริงใช่ไหมไม่เสพภูเขาทั้งหมดให้เป็นขนมปังกินจะมาอดมาอยากทำไมพระเยซูก็ตอกหน้าเข้าให้บอกว่าอีเวนเม้าเทนไป o ำโกน i ิทธิสต์อินนัมโฟฮิแม my w ่ s h i n g บอกว่าอยากนี้ต้องให้ภูเขานี่กลายมาเป็นทองคำมันก็ไม่เพียงพอตอความต้องการขอ ง, ของคนรอบจะกลาบใบใหญ่ถึงขงนมปัง ชีวิตที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ขนมฟังอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่อ่าพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่พระธรรมอยู่ที่เดเวตันะอยู่ที่พระธรรมของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่พระธรรมของพระผู้เป็นเจ้านั้นมันก็หมายความว่าชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมด้วยเหตุด้วยผล น, นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าวัตถุมันจะช่วยได้ตลอดโธ่คอตายมามากต่อมากแล้วเพราะเหตุ น, นั้นเดี๋ยวนี้เราจะอาศัยแต่วัตถุวัตถุจะไปถือซาตนาะจะเปลี่ยนใจไปนับถือซาตนะาเอื่นก็หวังพึ่งวัตถุว่าซาตนาะนั้นจะให้วัตถุแก่เราในที่สุด ข, ของเก่าตนเองที่เคยถือมาตั้งแต่พ่อแม่หลายชั่วโคนหลายชั่วค น, วคนก็เสียดายจะทอดทิ้งก็เสียดาย ที่นี้ถ้าจะถือเอาก็รู้สึกจะรังเกียจเพราะมันไม่ชวนมันไม่ช่วยให้ร่ํารวยก็เลยเข้าทํานองที่คนโบราณภาคอีสานของเราเรียกว่าขั้นสิทถิ่มก็เสียดายขันสิบายก็ขี้เกียจ้าว่าอย่างไรเหมือนเสื้อผ้าที่ตนเองใส่ใสมาหลายปีดีดักอยู่ได้พ้นที่บอกว่าป้องกันความร้อนป้องกันความหนาวป้องกันสัมผัสอันเกิดจากเหลียบยุงลินลมแดดสั์เรื้อคานทั้งหลาย หลังยันนั้นก็ยังช่วยปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าระอายมาได้ตลอดแต่วันนี้ดูแล้วมันไม่งามมันเศร้ามองมเพราะว่าไปเห็นของใหมส่สีสวยฉูดฉาดทรงดีทรงใหม่มาแฟชั่นใหม่ๆมาอันนี้จะทําอย่างไรจะทอดทิ้งก็ยังเสียดายมันจบไ อ, อนน้จะใส่ไปก็รู้สึกน้าลังเกียจมันไม่สวยมันไม่งามในที่สุดก็เอาชุดใหม่มาสวมทับเข้าไปที่เนี่ยสวมทับก็ไปเลยไม่รู้จะเป็นยังไง พวกฝลังนักวิชาการนักสังคมวิทยาก็ดีนักการศัพนักก็ดีนักการศึกษาก็ดีเขามาเห็นเมืองไทยวิเคราะห์โดยแล้วเขาก็บอกว่าเมืองไทยก็เกิดปัญหาแบบเดียวกันแต่มันมันมันมันคนละทางกันพวกฝรั่งเขาเกิดปัญหาที่ว่าคั้นจลน์คลายซีอินอเมริกันยังอเมริกันเทิร์นอีสเปอร์และยังเวเทิร์น ยังยุโ o ปเยื n นเทินอิสเวอร์เกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเสแล้วคนหนุ่มคนสาวหันมาทางตะวันออกมานับถือศาสนาใหม่มาสนใจศาสนาใหม่ทางตะวันออกเสแล้วแต่าชาวตะวันออกโดยเฉพาะอย่างคนไทยของเราก็เกิดวิกฤตการณ์อีกแบบเดียวกันคือวิกฤตการณ์วัฒนธรรมนี่แหละเลยว่าขันยาลังไครซิสเหมือนกัน แต่มันไม่ไม่ไม่ใช่แบบชนิดที่เขาหันมาแล้วศึกษาค้นคว้าจริงๆเหมือนพวกฝรั่งที่เขามาบวชมาเรียนมาศึกษาแต่พวกเรานั้นสวนทับลงมาเลยได้ ว, ว่าเกิด Suprempositions of all alien culture on the existing one หมายความว่าเอาวัฒนธรรมใหม่ของต่างชาติมาสวมทับลงไปในวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมันมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่ผู้ที่เปลี่ยนจากพุทธจะมาสู่คริสก็เข้าไม่ถึงคริสดึงออกมาจากความเป็นพุทธส่งไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนเข้าไม่ถึงพระผู้เป็นเจ้าแต่มันเข้าถึงเงินเงินเงินเงินธรรมดาเที่ยวเอาเงินมาจ้างมาโฆษณาว่าไปเธอร้องประปาไปเธอเองหน่อยมันก็ทิ้งเหมือนกันเมื่อไม่สนองตอบ ทีนี่อีพวกนั้นก็ดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกาดังกล่าวแล้วอีพวกนึ้นก็ออกมาจากนู่นที่นี่ไม่แน่เพอะพวกฝรั่งนั้นดึงออกมาจากคริสจะไปสู่ความเป็นพุทธนี่ไม่แน่อาจจะเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงมาหลายคนแล้ว อย่างโรเบิร์ตซุเมโธอย่างชาคาโรเดวนี่สร้างวัดวาอารามใหญ่โตเขาบไวายสี่ร้อยห้าร้อยไร่ราคาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านที่เมืองซิดนีย์ประเทศอังกฤษก็ดีที่อเมริกาก็ดีที่ออสเตรเลียที่เมืองเพิร์โอ้ยหลายๆายแหย่งอย่างอาดามาที่พูดอยู่ตรงนี้ก็มีทุกปีที่ถูกเชิญไปต่างประเทศบางคนก็อยากถาวายที่ถาวายบ้าน เพื่อเป็นวิปัสนาเซ็นเตอร์เล่าไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเลยแต่เขาจะลงทุนเขาเองแต่อาดมาเรายังคิดว่าอยู่ที่นี่และดีที่สุดเขาอยากได้เขาอยากศึกษาก็เข้ามาศึกษาในที่สุดเ ข, เขาจะทำงานเพื่อศาสนาเขาเองเป็นประโยชน์แกโลกแกสังคมไม่เป็นประโยชน์แกผู้ใดแต่กับสังคมแกโลกนั่นเองโลกจะสงบป่มเย็นดังที่อันเบิร์ไอสไตพูดว่า The world of the future The world of the future depend on m o r a d f o r t or moral strength โลกในอนาคตมันจะอยู่รอดได้ด้วยความเข้มแข็งอำนาจแห่งจริยธรรมแห่งศีลธรรมถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะชิบหายว้บอดกันทีนี้เขาก็จะเป็นห่วงว่าศาสนานั้นจะต้องมีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะต้องมีศาสนาศาสน า, าจะต้องให้คำตอบแก่วิทยาศาสตร์ได้แล้วก็จะ มีอำนาจควบคุมได้ทั้งทางวัตถุและจิตใจเป็นหน่วยรวมกันเป็นเอกภาพไม่ต้องสงสัยเปิดเผยพิสูจน์ได้ไม่ใช่คุมคุมเคลือเคลือลับๆับล่อๆ อ, อแล้วก็ล้องไร้งมงง่ายกันไปี่พุทธศาสนาเนี่ยมีพร้อมสิ่งเล้านี้มีพร้อมเอาไว้เลยทำให้พวกฝรั่งมั่งค่ารุ่นใหม่รุ่นปัญญาชนเนี่ยก็เลยหันมาทางตะวันออกอันเบร์ไอสตน์ได้สรุปไวหลายปีแล้ว ไอ้ที่แกก็ตายไปนานแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากในขณะเดียวกันก็เป็นนักการศาสนาเต็มใจแกพอกว่า the religions of the future will be a cosmic religion. It choose to sense a personal god and avoid dogma technology, covering both the nature and the spiritual. It should be be based on a religion since aligned from the experience of on team, n a t u r n and religion as meaningful unity. But this answer, this description, if there is any religion that could cope with modern scientific needs. would be Buddhism ขอใบพูดเป็นภาษาฝรัง่งมากไปไหน่อยลายเป็นภาษาไทยว่ า, าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนเดี๋ยวเขาใช้คำว่าคนี้เขาบว้อ่าทานเซนส์ออเพอร์เซนต์กอดเขาว่าอย่างนี้อีก o o สทานเซนส์ออฟเพอร์เซนต์กอแปลว่าควรจะอยู่เหนือพระเจ้า ที่มีตัวตนและควรจะเว้นคําสอนแบบสําเร็จรูปที่เรียกว่าคําสอนด็อกมาสําเร็จรูปเขาจะอย่างอย่างอย่างอย่างอย่างนี้นะหลังจากนั้นแกก็บอกว่าควรจะเว้นคําสอนแบบสําเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์และแบบเทวะวิทยาคืออ้างเอาเทวดาเป็นหลักใหญ่เอาพระเจ้าเป็นหลักใหญ่ ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐานอยู่บนความตัมนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงคือทั้งธรรมชาติและจิตใจวันเนเชอรัลแ s นด์บริจูนแอดมิเนนฟูนย l unity ใช้คำว่าอย่างนี้่คือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย มีหนึ่งฟูนมีความหมายอย่างยิ่งแล้วยังใช้คบว่า unity คือเอกภาพหลังจากนั้นแกบอกว่าพระพุทธศาสนาต่อพ่อกำหนดนี้ได้แกแกแกแกับพูดอย่างนี้แกพูดอย่างนี้แกบอกว่าบุตริสุนอ s ร description พุทธศาสนาต่อพ่อกำหนดนี้ได้อ t h e r เอ s นี้ เ d ียนแดกคู่โควิสโมดันไซน์อันเด i ริ IT WOULD BE ดบีบูดิชพระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้ถ้าจะมีาศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สมัยปัจจุบันาศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนานี่คือคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามผู้ปะเปืองที่มีชื่อว่าอันเบไอต ตั้งแต่สมัยนูนคริสตศักราพันแปดร้อยเจ็สบเก้าถึงพันเก้าร้อยห้าสิบท่านผู้นี้มีชีวิตอยู่ท่านได้พูดไว้อย่างนี้เพราะเห็นนั้นเมื่อศาสนาและวิทยาศาสตร์มาบรรจบครบกันได้มันก็จะเป็นธรรมชาติและจิตใจที่จะต้องเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายที่บอกว่า n a t u r l and spirit as a meaningful unity และศาสนาที่จะตอบข้อกำหนดรับมือความต้องการชนิดนี้ของธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติของสังคมได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุธทธศาสานานี่ลองคิดด้ให้ดีๆฉฟนั้นปัญหาทางโลกตะวันตกที่หันมาศึกษาศาสนาตะวันออกที่สว่ายัง western yang d u l o b i n turn to eastward ท่านจะหลังใครซีดวิกิตะการทางวัฒนธรรมหนุ่มสาวทางยุโรปทางอเมริกาหันมาทางตะวันออกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยเมื่อโลกมันจเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายอันไหนจริงอันไหนเทศมันก็จะปรากฏออกมาสำหรับปัญญาชนมันก็เหมาะกับศาสตนาที่มีสติปัญญาแต่สาหรับ ผู้ที่ไม่มีสติปัญญามากพอก็เหมาะสําหรับที่จะฝากชีวิตจิตใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเชื่อว่าชีวิตนี้ก็ดีทุกสิ่งตัวอย่างก็ดีจะต้องเป็นไปตามกฎของสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าพระเจ้ า, ามันสิ้นเรื่องสิ่งเล่าไม่ต้องมีปัญหาเข้าใจกันทั่วมันก็เหมาะสมแหละเหมาะสมสําหรับคนบางคนทุกทุกทกาตนาจึงมีไว้สําหรับ คนทุกๆคนที่จะให้ความเหมาะสมและจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็นไม่เดียเดเบียนแต่ถ้า่าศาสนาไปแล้วจะเบียเดเบียนกันได้ทั้งนั่นแหละทั้งทา ง, ทางตรงทั้งทางอ้ อ, อมด้วยเห็นนี้เองปัญหาเรื่องดึงมาจากความเป็นไทยทรงไปไม่ถึงอเมริกาดึงออกมาจากความเป็นพุทธท่งไปไม่ถึงที่สุดท้องความเป็นคริสเตียนคริสตังทั้งหลายนั้น เกิดมาจากความไม่เข้าใจแต่ละศาสนาของตนเองและในขณะเดียวกันถ้าจะทิ้งก็เสียดายดังกล่าวแล้วไอ้ท่าจะคว้า ม, มาสวมใสม่ก็รู้สึกหลังเกียรติของตนเองชิมก็เสียดายบายก็ขี่เดียดแจ๊คเสียจังไดในที่สุด ก, ก็กลายเป็นคนเคว้งควางถือพูดก่อพูดไม่จริงเข้าคิดก็คิดไม่จริง อาศัายแต่เงินแต่ทองคำใจว่าเข้าไปคริสแล้วจะได้เงินได้ทองช่วยเหลือจากองค์การจากองค์กรจากสถาบันของศาสนาแล้วก็จะได้ให้ลูกเรียนหนังสือโรงเรียนดีๆจะได้เป็นเจ้าเป็นนายนี่หวังเอาไว้ล่วงหน้าตั้งนานเมื่อไม่ได้ดังใจบ้างในที่สุดมันก็เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงทรงดึงออกมาจากพุทธแล้วทรงไปก็ไม่ถึงที่สุดของความเป็นคริสเตียนกลายเป็นคนอ้างว้างว้าวเว เดียวดาเป็นบุคคลชนิดที่เรียวว่าหลายใจไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความที่จะน่าไว้วางใจได้ที่นี้เราก็จะต้องมองกันต่อไปว่าควรจะทําอย่างไรถ้าศาสนาะทุกๆศาสนาะพยายามสั่งสอนมหาชนศาสนกของตนให้เข้าใจศาสน า, าของตนเองแล้วก็ออกลูกออกล้านมาให้มีความเชื่อมั่นให้มีความประพฤติปฏิบัติตาม ดังคําสั่งสอนในทางศาสนาของตนๆตนตนมันก็จะมีประโยชน์อย่างในทางคริสต์ศสาสนาสอนให้คนรักกันทุกทกชาติทุกๆกศาสนาทุกๆเผ่พาพันธุ์ถ้าเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาก็ไม่ต้องดุงยากลำบากที่จะไปแย่งชิงาศาสนิกของศาสนาอื่นเลยเข้าใจว่าที่เขาถือศาสนานั้นๆก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละให้เขาถือศาสนานั้นๆ เพราะว่าสติปัญญาเขามีเพียงเท่านั้นความฉลาดเขาเท่านั้นความโง่เขาเท่านั้นไม่ใช่เราจะต้องไปเป็นเจ้ากี่เจ้าการจัดโลกนี่ให้มันเป็นไปตามใจเราอย่างนั้นถ้ามีเงินมีทองมากมากมก็อาไปช่วยประเทศที่มันยากมันจนที่ยิ่งไปกว่าประเทศไทยยังมีอีกประเทศยากจนเยอะมากเลยถ้าหา ก, หากว่ามีความวังดีถ้าสมมติว่า เรามีเงินมีทองมากหรือสมมุติว่าพระผู้เป็นเจ้าช่วยโลกช่วยมนุษย์ได้จริงๆรประเทศที่ยากจนคนแค้นทั้งหลายในโลกในลาตินอเมริกาก็ดีในแอฟริกาก็ดีในเอเชียบางส่วนก็ดีก็ควรอย่างยิ่งที่สุดเลยที่พระผู้เป็นเจ้าจะต้องช่วยเขาเหล่านั้นถ้าจะว่าเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่เคารพนับถือ ก็ดูดูแล้วล้วนแดเป็นประเทศที่ยากจนนั้นที่นับถือศ า, าสน า, านับถือพระูเป็นเจ้ากันทั้งนั้นนะแต่แล้วเขาก็ยากจนอยู่ดีๆไม่จะยากจนธรรมดายากจนค้นแค้นสถานที่บ้านช่องห้องหออะไรต่างๆแม้กระทั่งภูมิภูมิศาสตร์ที่ทําอยู่ทํากินเข้ามันไม่เหมาะไม่สมไปหมดเลยเขาจึงยากจึงจนทั้งๆ ท, ท, ที่เขามีมือมีตีนมีความรู้อูมีความสามารถพอจะช่วยตนเองได้แต่สิ่งที่มันไม่เอื้ออำนวยเขาเหล่านั้นเอง แต่พอเราทั้งหลายไปเที่ยวบอกกล่าวเที่ยวโฆษณาฝ่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือเราให้พ้นจากโทษไกลเข้ามาแล้วไกลเข้ามาแล้วแต่พอหันไปมองอย่างโลกธาตุที่กว้างขวางมองโลกโดยทั่ ว, วไปประเทศที่ยากจนส่วนมากจะเป็นประเทศที่นับถือพระผู้เป็นเจา้าในประเทศอินเดียเนี่ยเานมาร์กไปมาทั้งห้าหกครั้งพอได้นลงเครื่องบินเท่านั้นแหละ โอ้ยคนขอทานเป็นหมื่นๆเลยไม่ว่าเป็นสนามบินบอมเบนิวเดลีออกอากาศสนามบินตามข้างทางมีคนนอนตายทุกๆระหว่างกิโลเมตรสองข้างทางในเมืองคนตายตายไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีเครื่องนุ่งหม่มขนมข้าวต้มที่เราซื้อกินเอาเปลือกมันทิ้งออกไปคนยากจนเหล่านี้วิ่งแย่งกันเอามาเลียกินเม็ดถั่วเขียวถั่วเลื้งเม็ดข่าวสาร หอกหล่นลงมาจากกระสอบรถสิบล้อรถบรรทุกมันวิ่งผ่านไปคนยากคนจนเหล่านี้แย่งกันเอามาอยู่เอามากินแย่งกันกินไปดูกองขยะนอกเมืองอุย้ยแมงวันเป็นฝุงฝุงคนยากคนจนไปเคี่ยวหากินของเน่าของพอกินได้บางคนก็เอาหม้อไปไปหาเศษไม้กอ่อไฟขึ้นน้ําตามข้างทางตามหนองเอามาต้ม หาเก็บขนไก่ขนเป็ดที่เขาทิ้งเอามาต้มใส่เกลือพอได้สดน้ามันมันทุกมันยากถึงกันนาดทั้งเดินเดินไปเห็นคนคลอดลูกออกลูกข้างถานนไม่มีบ้านมีช่องให้คลอดโอ้คลอดกันตรงนั้นแล้วคนตายก็เหมือนกันตายทุกๆกิโลเมตรที่เห็นอยู่ในเมืองไหล้วมีคนมาเก็บเอาไปทิ้งให้แรงให้กากินดินแดนแถบนี้มีแต่พระพูเป็นเจ้าพระพรหมพระอิศวรพระนารายตรีมูรติผู้คุ้มครองผู้ทำลาย าผู้สร้าง Creator God Creator God Preserver God Destroyer ก็เหมือนกันผู้สร้างพระพรหมอย่างนี้พระอิศวนพระนารายอย่างเนี้ล้วนแต่เป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทําลายมาประเทศอินเดียเรียกว่าพระพรหมเรียกว่าพระอิศวนพระนารายไปประเทศอืน่นก็มีพระเจ้าองค์อืน่นอีกต่อไปอย่างเนี้ไปทางคริสเตียนก็ถือว่าพระยังโควา พระผู้เป็นเจ้าไปอย่างนั้นทีนี้เราก็เห็นได้ได้ชัดว่าดินแดนที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าช่วยเขาหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าใจจืดใจดําจะช่วยให้เขายากจนด้วยกรรมด้วยเวรลงโทษถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้พระผู้เป็นเจ้าทํางานของท่านเองเดี๋ยนี้เราไปเที่ยวโฆษณาแย่งซาสนิการว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยได้หันไปดูเอาหันไปดูประเทศทางยุโรปบ้าง หันไปดูประเทศทางลาตินอเมริกาบ้างหันไปดูทางแอฟริกาบ้างที่นับถือพระผู้เป็นเจ้านับถือพระผู้เป็นเจ้านะคะยากจนอย่างประเทศอาร์เจนตินาโบลิเวียบราซิลซิลิโคลัมเบียโดมินิกันอย่างนี้ล้วนแด่นับถือพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นนะถือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเม็กซิโกนิคารากัวปานามา巴รรักไวเพลเวเนซอเอลาเหล่านี้ไปดูสิ ยากจนแสนจะยากจนยากจนกว่าประเทศไทยตั้งเจอถ้าผู้เป็นชาวาไม่ช่วยเลยเลยแต่พระผู้เป็นเจ้าจะมาช่วยประเทศไทยส่ที่ร่ำรวยอยู่แล้วมีไรนาซาโตมีอยู่มีกินอยู่แล้วประเทศในส่วนอื่นในในยุโรปได้เช่นอิตาลีไอแลนด์ลุคซ์เบิร์กมอนตาโมนาโกอย่างนี้เซอร์เซียแล้วเนี่ยหฮ้ยรวนแต่ประเทศที่ยากจน คนเงินไปช่วยประเทศเหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีสงสารเขาถ้าอาตามาเป็นพระผู้เป็นเจ้าอาตามาจะไปช่วยพวกเนี้ยยากจนอย่างประเทศเอธิโอเปียตายบีหนึ่งเป็นล้านในแอฟริกาประชากรส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ล้วนแต่นับถือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นอย่างประเทศคอสตาริกาคิวบาโดโมินิกันอิเวาดอเอ็นเซนโ ด, ด อ, อย่างนี้กัวตเตมาลาฮายติฮอนดูัสปเปอร์โตเลโออย่างเนี้ย ลุกไวฟิลิปปินสเปนแอนโดราออสเตรียเบเยียมคองโกเชโกเซเวาเกียกินีนเอธิโอเปียด้วยประเทศสุดท้ายเอธิโอเปียโอ้ยจะเป็นถูกเป็นยากหลายเด้อมีแต่ดังห่มกระดูมตายปีหนึ่งนับไม่ทั้วตายเป็นแสนตายเป็นล้านตายไม่มีโยู่ตายไม่มีกินถ้าอาดามาเป็นพระพูเป็นเจ้า อาตามาจะไปโปรดบุคคลพวกนั้นแหละจะไปช่วยพวกนั้นแหละแต่อาตามาเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าได้แต่สองสารเพราะเหตุนั้นเองเราทั้งหลาย ก, ก็ควรจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องศาสนาะถ้าท่านเป็นคริสต์จงเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของคริสเตียนเชื่อมั่นคำสั่งสอนของพระเยซู ที่พระเยซูบ่าว่าผู้ใดแสวงหาเกินจําเป็นเป็นบาปเก็บไว้เกินจําเป็นเป็นบาปบริโภคเกินจำเป็นเป็นบาปเพราะว่ามันจะไปเอารัดเอาเปรียกกดขี่ข่มหคนอื่นมือใครยาวสาวได้สาวเอาในที่สุดมันก็เกิดปัญหาแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งขู่กันทุวสวัดแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องดก็นาศาสนาไปเข็นไปฆ่ากัน ถ้าท่านเป็นคริสเตียนมีเงินมีทองมากเก็บภาษีเพื่อผู้เป็นท่าผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ปีคริสตศักราชสามรอสิบเอดประชุมกันใหม่ไปช่วยประเทศที่ยากที่จนอย่างพวกประเทศเอธิโอเปียคอสตาริกาคิวบาโดมินิกันอีควีดอรเอนซันบดอร์โกติมาลาฮายติฮอนดูรัสเปอร์โตริโกออโรกวยฟิลิปปินสเปนอินดูร่าออสเตรเลียเบนเยมองโกเชโกสโลวาเกียกินนีหุ่ยพูดไม่จบประเทศยากจนนี่ยากจริงๆ หรือมีทัง ก, ก็ไปนูน่นอาเจนดินหน้าโบลิเวียบาซินสรีโคร์มเบียโรเม็กซิโกนิคารากัวปานามาปรรเปรูเวเนเซเลราไปเถิดประเทศไทยนั้นดีงามอยู่แล้วน้ำไห้ไฟสว่างคนทางเดินสะดวกสบายมลสมไม่มีแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกินน้ำท่วมพายุรุนแรง ไม่มีเพิ่งจะมีเพราะว่าคนทําลายป่าทําลายดงมากความร้อนในโลกสูงขึ้นปัญหาของโลกก็เกิดมาจากประเทศที่นับถือประพุทธเจ้านั่นแหละสร้างระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ขึ้นมาเอาสารผูโตเนียมขึ้นมาผลิตเป็นนิวเคลียร์ดูดเอาแก๊สเอาน้ํามันฟอสซินฟิวเอ็นทั้งหลายก่อขึ้นมาเผาขึ้นมาโลกให้เราร้อนความร้อนของโลกสูงขึ้นน้ําทะเลร้อนมากขึ้น่สูงขึ้น เอาไปเอามาก็เกิดฝนตกลงมาไอหมอกไอควันจากขอไอเสียโรงงานน้ํามันโลงแก๊สอะไรต่างๆกลายไปเป็นฝนตกลงมาต้นไม้ต้นไหลตายหมดเอซิดเรนฝนมีพิษตกลงน้ําปลาตายพัดมาตกประเทศไทยยังไม่เข้มข้นนักก็ทําให้ปลาเป็นบาดเป็นแผลผู้ที่สร้างโรงงานปล่อยน้ําเน่าลงไปในโรงงานปลาตายเป็นฝู้งโรงงานนั่นสร้างเครื่องจากโรงงานมาต่างๆก็มาจากประเทศระปูเป็นชาวน่นแหละ เราต้องมองดูให้ดีๆพราะเอ็นนั้นคําสั่งสอนของศาสนาทุกๆศาสนาขอให้เข้าถึงจริงๆเธอเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขที่สุดเลยศาสนาทุกๆศาสนาเหมือนแม่น้ําคน ล, ละสายไหลมารวมกันยังความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินพัดเอาปุ๋ยเอาอะไรมาให้งอกงามแม่น้ํำไม่เคยทะเลาะกันนี่ก็เหมือนกันผูเป็นพูดก็ไม่เข้าใจคําสั่งสอนของศาสนาพูดเอาไปเอามาทูกโฆษณา เป่าขามอมล้างสมองก็เปนหน่อยก็บอกโอ๊ยพระสงฆง์เจ้ามีประโยชน์ยังบริสุทธิ์บริเฮ็ด เ, เวียดยังให้แก่สังคมเดี๋ยวกินไปวันวั น, วนทำประโยชน์อะไรอันนี้เราต้องมองไปไกลๆอย่าเพิ่งมองไกล้ๆเพียงแค่วัตถุพระสงฆง์เจ้านี่มีประโยชน์มีคุณค่ามีความหมายต่อศา ส, สนานะต่อสันติภาพต่อความส ง, งบที่ใดมีพระสงฆ์องค์เจ้าดีๆ มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาถ้าพระในทางศาสนาคิดปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อคำสัง่งสอนของศาสนาที่นั่นก็จะดีจกงามถา้าพระในทางศาสนาพูดปฏิบัติดีงามเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมช่วยเหลือสังคมพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเหมือนนั่นมันนั่นจะงดจะงามสังเกตดูขี่เครื่องบินดูก็ได้ ถ้าท่านขี่เครื่องบินมองลงมายัางพื้นโลกตรงไหนที่มีความเขียวข้าจีที่นั่นต้องมีที่อยู่ของพระสงฆ์หลักเป็นผู้ไม่ทํำลายเป็นผู้คุ้มครองเดี๋ยนี่คนไม่เข้าใจเมื่อพระไม่ดีก็จะไปว่าศาสนาไม่ดีนะว่าพระนั้นไม่ดีเพราะท่านเข้าไม่ถึงศาสนาอาดามาหวัดดีศาสนาคริสติก็ดีแสนจะดีขอให้เข้าถึงคําสั่งสอนศาสนาพูดก็ดีแสนจะดีขอให้เข้าถึงกาให้ประพฤติปฏิบัติตาม อย่าเอาศาตานมาทะเลาะเบาะแวงกันในทางคริสเตีย น, นท่านสอนไว้ดีมากให้อภัยถึงที่สุดเขาตบแก้มซ้ายเอียงแก้มขวาเขาตบด้วยเขาฟ้องฟานเอาเสือ้อคลุมว่าท่นวิ่งเอาผ้าหม่มไปให้เขาด้วยอย่างนี้ไม่มีทางที่จะไปทะเลาะเบาแวงไหม่มีทางที่จะไปแย่งชิงซาตานิกจากซาตานอื่นในมวดโยฮันที่ท่านพูด่ะท่านบอกว่าจากไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงของพระ อ, องค์ข้างถนนหลวง พระองค์จะไม่ส่งเสียงดังพระองค์จะไม่ส่งขันสู้กับใครพระองค์จะไม่กระชากไม้ออกที่หักแล้วให้ขาดออกจากกันพระองค์จะไม่สรงบี้ใส่เพียงที่ยังคุ้นกุ้นอยู่ให้ดับสนิทลงไปจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองตามนั้นนั่นไม่ทะเลาะไม่เบาแวงไม่ไปชักชวนไม่ไปทำให้ใครมาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจถือศาสนาของตนเองแล้วก็เกิดการทะเลาะกันไม่นําศาสนานี่ไปสู่สงครามก็ให้เกิดฮอลี่วูดสงครามแห่งความบริสุทธิ์สงครามศาสนาเป็นไปไม่ได้ ตามคำสั่งสอนของพระเยซูในครัรำไบเบิลไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่จะไปทะเลาะเบาแวงเมื่อกับพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ควรจะเบียดเบียนการเกิดมาในโลกนี้เป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดหลายชาติแล้วจะทะเลาะเบาะแวงกันเลยให้อาภัยกันโอ้ยท่านสอนไม่มากแต่นี่จ๋ามากที่พวกเราไม่เข้าใจกันพระสงฆ์ ครั้งที่ในทางพุทธศาสนาและในศาสนาอื่นๆนั่นแหละเป็นแบบอย่างเป็นชุมชนตัวอย่างที่จะไม่กระทบกระทั่งเป็นชุมชนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบอย่างที่ ท, ที่ที่วัดอาตมาขออภัยมาลองดูว่าที่นี่จะเอาเปรียบคนอื่นไหมลองท่านมาบวช ด, ดูมาศึกษาต่อที่นี่ข้าวก็กินวันละครั้งเดียวเวลาเดียวแม้จะมีเต็มยุ่งเต็มช้างใครจะหาบมาใครจะใส่รถสิบล้อมาเราก็กินได้เพียงวันละครั้งเดียว แล้วก็ยังเอาใส่พาชนะอันเดียวทั้งของหวานของขา่าวบุหรี่ยาเสพติดทุกชนิดเว้นขาดเราไม่เบียดเบียนสังคมเราเอาจากสังคมแต่น้อยเราปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมและในขณะเดียวกันเราก็มอบให้แก่สังคมถิ่นทุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโต โสอหังวิจริษามิคามาคามังปุราปุรังนมสัมมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสะโสธรรมตังขะน้อยทั้งหลายเที่ยวจาริกไปจากบ้านสูบ้านจากนาครสู่นครเฝ้าหน่บน้อมนมัสการพระสาทดาเราทั้งหลายจะไปประกาศพระธรรมอันประเสริฐของประสาทดาให้คนทั้งหลายเว้นชั่วทำดีชำระจิตให้พองไสใหม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้น แ, แก่โลกนี้คือหน้าที่ของเรา พอเห็นนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้คําว่าทักศินาทานผู้สมควรรับทักขีนาทานเนี่คืว่าทักชิเนโยอัญชลีกัลลนิโยผู้ควรรับทักศีนาทานคําว่าทักศีนาทักศีนานี่เป็นคํากล่ามานานแล้วพวกพราหมณ์ทั้งหลายเป็นจ้าพิธีรีตองก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก่อนศาสนาพุทธพวกพราหมณ์ทําพิธีต่างๆแล้วก็รับค่าพิธี ค่าพิธีเรานั้นมีกระทั้งหญิงสาวสวยมีกระทั้งป่านมีกระทั้งขอบครัวเรือนชานลรถลา ม, ม้าช่างบางทีทําพิธีใหญ่ๆอย่างอสสาวเมธอสสาวเมธพระราชาในาศาสนาพาม์ต้องมอบผู้หญิงสาวให้เป็นร้อยๆแก่พามเรียกว่ามอบทักษิณาทานแต่ในทางพุทธศาสนาต้องมาเปลี่ยนทักษิณาทานไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่พอยังชีพอยู่ได้ไปวันๆไม่ปรารถนาอะไรมากเพียงข้าววันละครั้งเดียว ที่อยู่อาศัยพอได้มงได้บางเทนโย ม, มีสถานะากะสร้างให้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของโยมก็ต้องถือว่าการสร้างนั้นไม่ได้สร้างให้ท่านผู้นั้นคนเดียวเดี๋ยวท่านผู้นั้นก็จะตายอย่างใครมาสร้างอาตามฟ้าลาให้อาตามายอยู่ในขณะนี้ช่วยกันก็สร้างให้ท่านต่างร้านนั่นเองพี่น้องได้มาปฏิบัติทำเป็นพันๆอาตามาไม่อยู่ถึงร้อยปีต้องอีกหน่อยก็ตายไม่ได้เอาไปไหนก็เป็นของโลกนี่แหละทักษิณาเหล่านี้ในที่สุดก็จะแปลมาเป็นของโลกของสังคม มันเป็นอย่างนั้ น, เ ป, นเป็นเป็นภาษาบาลีว่าทักคีนาสังสกเกตว่าทักสีนาได้แก่ทรัพย์สินเงินทองของใช้ทั้งหลายทั้งปวงที่มีไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ที่ทําประโยชน์แก่โลกแก่สังคมขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าการมีอยู่การเป็นอยู่ของพระสงคอง์เจ้านั้นมันมีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมออกมากๆทีเดียว จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายนํามาให้แก่พระสง์องค์เจ้ามีชีวิตอยู่ไปวันๆนั้นไม่ใช่ของวิเศษเลิเลิออะไรหรอกของธรรมดาพออยู่ได้เป็นสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนหากจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงตอบแทนคุณงามความดีที่มีแก่โลกแต่คุณจะกล่าวว่าเป็นของบูชาคุ้นความดีมากกว่าไม่เหมือนเงินเดือนเพราะว่า ไม่ได้จํากัดจําเคีต้องถือว่าเป็นของบูชาคุณงามความดีที่ท่านมีแก่โลกทักทินาในกรณีเช่นนี้แหละมันไม่ใช่ของเพิดเพลิงโอฬารเลยขอบเขตเป็นเพียงปัจจัยสี่อย่างเรียบเรียบง่ายง่ายพอเป็นเครื่องอาสายที่จําเป็นของชีวิตเท่านั้นพระสงจะไม่มีส่วนเฟอร์ไม่มีส่วนเกินถ้าประสงค์ที่ถูกต้องในทางศาสนาถ้ามีก็ หมายความนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกที่จะเวนคืนให้แก่โลกไม่ทางตรงก็าทางอ้อมทักกินายหรือผู้ควรแก่การทักกินาฐานในกรณีนี้ก็คือบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมตนในทางความประพฤตและคุณธรรมต่างๆอย่างเพียบพร้อมเพียงพอ กลายเป็นตัวอย่างแข่งชีวิตที่ดีที่งามและมีความสุขจนกระทั่งว่าแม้เพียงการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คุ้มค่าอยู่แล้วยิ่งบุคคลเช่นนี้จาริกเผลยแพร่ทำด้วยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอย่างเช่นนั้นให้เห็นกว้างขวางออกไปหรือแสดงคำสอนแนะนาผู้อื่นเพื่อเข้าถึงชีวิตเช่นนั้นด้วยตนเองบ้างก็ยิ่งเป็นประโยชน์ล้าค่า เกินกว่าราคาของสิ่งของตอบแทนใดๆบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนใดๆด้วยอาศัยปัจจัยสี่ที่พอดำรงชีวิตอยู่ดได้เท่านั้นของที่ให้เพื่อการดำรงอยู่ของบุคคลเช่นนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าทักขินาบุคคลเช่นนี้จะเรียกว่าทักขินเยโยผู้ควรรับทักสินท า, าน บุคคลเช่นนี้ทําให้ทักทีนานั้นมีผลมากเพราะเป็นทักทีนาที่ช่วยให้คุณทําช่วยความดีความงามของโลกเป็นตัวอย่างที่มีอยู่ที่เป็นอยู่จริงแหง่งชีวิตที่มีความสุขปากรในโลกได้และก็เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปบุคคลเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ควรแกทักทีนาเพราะทําให้ทักทีนาทานมีผลถ้าไปมอบให้คน อ, อื่นมากๆ ม, มันไม่มีผลมาก มันมีผลคนเดียดวแต่นี่มันกลับคืนสู่สังคมท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะเพราะเหตุ น, นั้นถ้าเข้าใจหน้าที่ของพระสงฆ์เข้าใจคุณค่าของพระสงฆ์เข้าใจคุณค่าของนักด้วชแล้วจะเข้าใจคุณค่ า, าศาสนาะจะไม่ถึงขนาดที่ว่าดึงออกมาจากความเป็นไทยแล้วส่งไปไม่ถึงอเมริกาดึงออกมาจากความเป็นพุทธส่งไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนไม่เข้าดมดองที่ว่าสิทถิ่นกับเสียจไดสิบายกั ขีเด็ดตอนนี้ไม่อยากจะทิ้งเลยและก็พร้อมที่จะเคารบนับถืออย่างดีงามการที่ยังปรากฏในโลกเป็นประโยชน์กว้างขวางของคนดีอย่างนี้เป็นที่งอกงามขึ้นขจรกระจายออกไปแห่งความดีงามต่างๆจึงเรียกวันนาบุญบุญนั่นแปลว่าความดีความงามที่ใดทําให้ความดีความงามเจริญขึ้นมากๆที่นั่นแหละเรียกวันนาบุญทําให้เกิดประโยชน์สกนานับประการแก่โลก ทง้งปวงครูบาอาจารย์ผู้สอนความรู้สามันในโรงเรียนส่วนบุคคลชาวโลกยังมอบค่าตอบแทนคือเงินเดือนให้อย่างคุ้มควรแล้วทำไมฉะนันจะมอบเครื่องอาัยดำรงชีวิตเพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้สอนคุณงามความดีผู้เป็นแบบอย่างผู้สอนทำให้แก่โลกไม่ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำงานผลิตขึ้นมาเพื่อทำลายเห็นไมผลิตน้าตาลขึ้นมาขายแล้วทาลายปลาตายหมดทั้งแม่นาม้า เป็นงานผลิตที่มีค่าแต่มันเป็นการทำลายไปในตัวไม่ว่าจะเป็นการทำลายเศรษฐกิจทำลายสภาพชีวิตสังคมทำลายสภาพธรรมชาติทำลายความดีงามของมนุษย์ชากว่าดังเขายังได้รับการพันเน่าพันนเอาอกเอาใจเป็นนักเศรษฐกิจตัวอย่างอย่างโน่นอย่างนี้มีผลตอบแทนฟุ้งเฟ้อเหลือล้นได้รับโลได้รับเกียรติชั้นนี้ชาวโลกจะไม่จุนเจือบุคคลผู้รักษาโลกผู้รักษาคุณงามความดีให้แก่โลก ด้วยการชะลอการผลิดชะลอการบริโภคบ้างไม่ได้คือพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ผิดในขณะเดียวกันท่านชะลอการบริโภคบอ ก, กินไหลโลกจะผลิดมาล้นหลอกแต่พระสงฆ์เจา้าทางกินนิดเดียวมันเป็นการชะลอไปในตัวชะลอความที่น่าดยด่อยยาวให้มันช้าลงไปเรียกว่าชะลอการผิดชะลอการบริโภคถ้าจะเปรียบเทียบ ก, กันแ ล, แล้วทักทีในยะบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่จําเป็น ยอมทำให้เกิดความสิ้นเปืองแก่โลกเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นผู้เอาจากโลกแต่น้อยและเป็นผู้ให้แก่โลกอย่างมากมายอันหนึ่งลักษณะการให้ทักศนธาทานก็ต่างจากการให้เงินเดือนสิ่งตอบแทนหรือให้ด้วยการสเสน่หาของชาวโลกกล่าวคือไม่ได้ให้ด้วยความรู้สึกผูกพันหรือเกี่ยวข้องส่วนตัวท่านผู้นี้ช่วยเหลือหรือได้ทําการนี้ให้แก่เรา หรือว่าให้แล้วก็แล้วกันไปท่านผู้นี้จะได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้ให้แก่เราแต่เราให้ท่านด้วยศรัทธานในหลักหรือพลังแห่งความดีงามด้วยจิตสำนึกว่าเราให้ท่านผู้นี้ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในหมู่สงหรือเราให้แก่ท่านผู้ ด, ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีแก่โลกความสงบความร่มเย็นเป็นแบบอย่างถ้าอย่างนี้ท่านก็จะมองเห็นคุณค่าของพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างดีงามไม่ว่า อยู่ที่มุมโลกไหนก็ตามมีบุคคลเช่นนี้ปรากฏขึ้นมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามให้แก่โลกแก่สังคมท่านเหล่านี้เอาจากโลกแต่น้อยๆท่านจะผลิตล้นโลกแต่ท่านเหล่านี้จะเอาน้อยๆชะลอการผลิตไปในตัวชะลอการบริโภคไปในตัวทําประโยชน์ให้แก่โลกอย่าลืมนะผลิตได้มากก็ทําลายได้มากผิตน้ําตาลได้มากก็เรียกว่าต้องปลูกอ้อยมากๆในขณะเดียวกันปลูกอ้อยมากๆก็ต้องไปทางป่ามากๆ ในขณะเดียวกันมันก็ต้องปล่อยน้าเน่าลงในแม่น้ำมากมากให้ปล า, าตายมากๆเให้คนบริโภคไม่ได้มากๆคือมันเป็นอุปกรณ์แก่กันอะไรกันที่นี่ถ้าเกิดว่าคนกินได้ด้้ยขึ้นมาล่ะการผิดเท่าไรไม่มีผู้ซื้อไม่มีผู้อะไรกินมากมันจะผิดไปทาไมจะต้องเข้าใจด้วยนะเพราะเหตุนั้นคุณค่าของสัตนาคุณค่าของพระรงคง์เจ้านั้นมีคุณค่ามีความหมายต่อโลก ถ้าหากยังมีพระสองฆ์อยู่เดินเที่ยวไปปรากฏตัว่าคนงามความดีของพระสงฆ์นี่จะคุ้มคลองจะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้อยากจะทําดีด้วยดีดูดดีชั่วดูดชั่วแม่น้ําเล็กน้ําน้อยทุกสายไหลลงไปสศมแม่น้ําใหญ่คล้อยลงไปโ่มหาสมุทรคนที่มีคุณงามความดีในจิตในใจอยู่บ้างก็จะต้องคล้อยไปโ่ผู้ที่มีความดีมากกว่าพระสงฆ์องค์กล้ามีความดีมากสั่งสมแต่คุณงามความดี ผู้ที่มีความดีในใจบ้างเล็กน้อยก็จะเห็นดีกับท่านก็จะทําดีกับท่านการกระทําดีร่วมกันมากๆมันก็เพื่อแผ่ล้นเลือไปสู่สังคมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเอาไว้ให้ดีๆเพราะเหตุนั้นแหละการที่โลกนี้ยังจะต้องมีบุคคลเรียวกว่าทักกิเนโยผู้รับทักษณาทานอันลังไล่ออกมาจากการทําลายความ